สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนยายทหรคนชอบเล่าตอนนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมานะครับเรื่องราวของใครจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณสุนัตยาดีกว่าครับแล้วก็เช่นเดิมครับเนื่องจากว่าคุณสุนัตยาเป็นสุภาพสตรีผมจึงขออนุญาตใช้สรรพนามแทนตัวว่าเรานะครับเอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคุณสุนัตยาเล่าว่า มีอยู่วันนึงเรากับแฟนได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนของแฟนซึ่งอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานออลืมแนะนําตัวไปเราชื่อมิวแฟนเราชื่อเขียวเพื่อนแฟนชื่อต้าแล้วเรากับแฟนก็จะไปเที่ยวบ้านต้าการเดินทางไปบ้านต้าของเราก็โดวยวิธีการแฟนขับรถมอเตอร์ไซค์เราซ้อนท้ายไปบรรยา ก, กาศโรแมนติกสุดๆถ้ามีนะับประหลาแดด ก, กับความร้อนที่อยู่ระหว่างการเดินทางก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆโดยไม่ใส่ความเร็วมากนัก ล, ลากก็แวะปั๊มหลังหน้าหลังตาพักแป๊บหายเน่ก็เดินทางกันต่อก็ขี่ต่อไปเรื่อยๆจนเมื่อตะวันเริ่มคล้อยก็ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราไปถึงก็เจอกับเพื่อนของแฟนที่โทรนัดกันไว้แล้วเฮ้ยนั่งรอเลยหรอวะแฟนร้องทักมาถึงทันนะมึงเพื่อนต้าร้องสวนไหนไม่นะสี่โมงครึ่งเองเอา้าแล้วแม่กับพ่อละ่ะต้าเราถามบ้างแกยังไม่มาจากทุ่งกันเลยเพื่อนตาตอบ หลจากที่ทักทายกันเรียบร้อยตามธรรมเนียมแล้วเราสามคนก็รีบไปหาซื้อเครื่องดื่มเพื่อมานั่งสังสรรค์กันตามประษาพเพื่อนโทษฐานที่ไม่เจอกันนานเราก็นั่งดิงกันไปคุยเรื่องราวเก่าก่อนสับเพเฮหาราไปเรื่อยๆบรรยากาศมันก็ได้เหลือเกินลมเย็นๆดูแฟนเรากับเพื่อนต้ามีความสุขมากที่ได้เจอกันจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงประมาณหกโมงเย็นได้พ่อกับแม่ของต้าก็กลับมาแฟนกับเรารีบยกมือไหว้สวัสดีทําความเคารพตามารยาทเออเออเออสวัสดี ลมอะไรหอมมาเลยลูกพ่อถามลมหนาวครับพ่อแฟนเราตอบยาวพ่อแกไปต่มสบายเลยนะ่ลูกขาดเหลืออะไรเอาในครัวนัลูกแม่ตาบอกครับแม่แฟนเรารับคำวันนี้พ่อจะพาไปหลับละไหลกับหนูนอะสนใจไปด้วยกันไมหมลูกพ่อตาชวนพอแฟนได้ฟังก็หันมาถามเรากับตาไปเปล่าวะไปก็ไปสิรออะไรวะก็ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเป็นอันว่าพวกเราตกลงแฟนเราเลยหันไปถามพ่อตาว่า ไปกันตอนไหนล่ะพ่อสามทุมเนะลูกหลังจากที่พ่อให้คําตอบกับพวกเราแล้วก็ไปเตรียมของส่วนแม่ก็อาบน้ําให้สบายเนื้สบายตัวเพื่อรออยู่ที่บ้านพ่อชวนไปกินของอร่อยอีกแล้วขึ้่นต้าว่านั่นดิไม่ได้กินมานานแล้วล่ะกูว่าวันนี้เราต้องได้กันแน่แน่ว่ะเราสามคนคิดถึงความสนุกและของที่จะได้ในคืนนี้และเมื่อเวลาถึงสามทุ่มตรงคณะของพวกเราก็ออกเดินทางกันโดยที่มีพ่อของเจ้าต้าเป็นผู้นําเราทั้ง3มก็ค่อยก้าวเดินตามแกไป ไม่นานพวกเราก็ได้ไปถึงปลายทางที่เหมาะเหม็งทําเลดีเยี่ยมที่พ่อของต้าตั้งใจนํามาสถานที่ก็คือบริเวณใกล้ใกกับป่าช้าในวงเล็บที่เล่าลือกันว่าเฮี้ยนสุดๆถ้าจใจพูดถึงบรรยากาศก็กเกินบรรยายอยู่ใกล้กับป่าช้าและบรรยากาศยามค่ําคืนชวนให้คิดโน้นคิดนี้ได้มากมายซึ่งพ่อก็ปักเบ็ดและหลุมข้าวเปลือกไว้เยอะด้วยถึงแล้วละ่ะลูกหลานเอ้ยพ่อทําเยอะไหมผมจะได้ช่วยเพื่อนต้าถามพ่อก็เกือบตลอดลิ้มคล้องนั่นแหละ งั้นผมจะไปทางโน้นนะสองพ่อลูกนัดแนะกันแฟนเราก็ขอไปกับตาด้วยไปด้วยเผื่อจะช่วยกันผู้จบก็หันมามองหน้าเราเขา อ, อยู่กับพ่อนี่แหละเพื่อจะได้ช่วยถือระบอกแฟนเราและคําตอบที่แฟนตอบกลับมาก็คือจ้าหลังจากที่แยกแย้ายกันทําหน้าที่ใครทําหน้าที่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแม้บรรยากาศรอบกายนั้นจะดูว่าวังเวงมากก็ตามทียังไงยังไงเราก็อุ่นใจกว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้พ่อตา จนเมื่อเวลาล่วงไปถึงประมาณห้าทุ่มเศษเศษพ่อกับเราก็พากันเดินกลับมารออยู่ที่กระท่อมที่นาเึื่อมาถึงพ่อก็ลงมือทําหนูหนาที่หยิงมาได้ยิงมาได้ประมาณ 7-8 ตัวนี่แหละเราก็ได้ช่วยกันทาด้วยเพื่อค่าเวลารอแฟนกับเพื่อนกลับมาจนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีได้แฟนกับเพื่อนต้าก็กลับมาก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่อาหารทําเสร็จพอดีแต่สองคนนี้มีท่าทีที่แปลกไปดูลูกลี้ลุกลนพิกลสังเกตเห็นได้ไว่าทั้งคู่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ เจอกันมาละสิทั้งสองคนนะ่ะฮะแต่ก็ย่างดีนะที่ได้นู้นาะกับปลาไหลมาด้วยใจเย็นๆนั่งลงให้สบายก่อนแล้วเราให้ฟังหน่อยสิแฟนเรากับเพื่อนตา้ามองหน้ากันหลึกๆและแฟนเราก็มานั่งลงตรงม้านั่งที่ทําขึ้นเองหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปไม่นานนะ่ะมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่แฟนเรากับต้าไปเจอมาระหว่างที่ทั้งคู่กําลังเดินทางทําภารกิจกันอยู่นั้นแฟนเราก็เอ่ยถามเพื่อนตา้า เฮ้ยกูว่ากูได้กลิ่นอะไรไม่รู้ว่ะเน่าเน่เออว่ากูกิดนึกว่ากูได้กลิ่นคนเดียวเว้ยตาเพื่อนรักก็รู้สึกงั้นเรารีบทํากันเถอะจะได้รีบกลับแฟนเราชี้ชวนแล้วก็ได้รับการเห็นดีด้วยจากเพื่อนตาได้ได้กูเริ่มจะกลัวแล้วว่ะจากนั้นก็ลงมือรีบทําภารกิจให้สําเร็จแต่ระหว่างที่ทําภารกิจกันอยู่นั้นกลิ่นก็ไม่ได้จางลงไปเลยมีน้าซ้ํากลับทวีความรุนแรงเหม็นฉนเกลืกขึ้นมาทุกทีทั้งคู่เริ่มมองหน้ากันด้วยใจประวัน รู้สึกสัมผัสได้กับบรรยากาศที่เยือกเย็นอยู่รอบกายลมเย็นยังคงพัดเอื้อยกับกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นมันกระพัดทั้งคู่ยิ่งเดินทำงานกันไปก็เหมือนยิ่งเดินใกล้เข้าไปกับเจ้าของกลิ่นเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นเหมือนว่าใกล้เข้าไปแล้วก็ใกล้เข้าไปอากาศรอบกายที่เยือกเย็นแต่เนื้อร่างกายมันย้อนแยง้งรู้สึกหนาวแต่ไงเหงื่อมันไหลไม่หยุดเลยแล้วทันเดินนั้นเองตูมสิ่งมันมีคนโดดน้ําก็ดังขึ้นต้งคู่รีบหันความไปมอง ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดและความม้องแหว่งกับผิวน้ำที่เน่งทั้งคู่มองหน้ากันอะไรวะมาเล่นเราแล้วเพื่อนเอ๋ยเพื่อนตาครองมามามากูจะเอาสามตัวตรงเว้ยแฟนเราท้าโถอ้บ้าเขาเจอกระทั้งหมู่บ้านมึงย่าไปท้ามันอีกกลัวอะไรวะแค่เนี้ยแฟนเราจะไม่เลิกเก่งและขนาดนั้นเอง เสียงมาหอนก็ดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นที่แรงขึ้นเรื่อยๆและที่เพิ่มเติมก็คือแฟนรักกับตาหมองหน้ากันเลือกหลักเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอตามึง ไ, ไ, ไ, ได้ยินเหมือนกูไหมกูก็เหมือนมึงแหละ ไ, ได้ยินและระหว่างที่ทั้งคู่เลิกลิกกันอยู่พลันก็ปรากฏเงาดําขึ้นมาหนึ่งเงาลอยอยู่ ซึ่งระยะก็ไม่ไกลกับสองคนนี้มากเป็นเงาดําที่ดําจริงๆแม้อยู่ในความมืดก็ยังเห็นชัดเสียงหมาหอนก็ยังคงดังอยู่กลิ่นเหม็นก็แรงขึ้นเรื่อยๆมีนําซ้ํายังรู้สึกได้ว่าเสิงหัวเราะน่าจะมาจากเงาที่ลอยอยู่นั่นแหละทั้งคู่นิ่งอึ้งมองดูเงาประหลาดนั้นซึ่งมันกําลังลอยใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาพร้อมกับกลิ่นที่เหม็นและเสียงหเราะที่ดังขึ้น คู่มองหน้ากันอีกครั้งรู้เลยว่าอยู่ไม่ได้แล้วและไม่ต้องมีใครบอกใครหรือตัวอีกทีก็พากันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงกระท่อมนี้แหละก็เมือนเก่งนักนี่ไปถอดดีนักพ่อตาติงก็ผมไม่เชื่อเนี่ยครับแฟนเราว่ากูยิงช็อกไม่หายเลยวะขากูมันวิ่งไปเองเพื่นตาอดครวนสนั่นหน้า <laughs> เราขำจริงจริงที่สองคนนี้ไปเจอมาเมื่ออธิบายเรื่องราวที่ไปเจอมาจบอาการควันหนีดีฟอรก็หายไปแล้วเราก็จัดการลงมือกินข้าวกัน ซึ่งกับข้าวมื้อนี้ดูจะอร่อยมากสําหรับสองคนนั้นที่ใช hei, ้พลังงานในการวิ่งมาเยอะเมื่อกินข้าวกันเรียบร้อยนั่งพักสักครู่พอเที่ยงพวกเราก็พากันนอนแต่พอพวกเรานอนกันไปได้ไม่นานก็มีอันต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งดังมากพวกเราทั้งสี่คนตื่นขึ้นมา ยังไม่พอกลิ่นกับสิงหัวเราะก็ตามมาด้วย <S 2> <S 2> <S เป็นเสิยงหัวเราะที่เยือกเย็นชวนขนลุกจริงๆเรากลัวมากเกาะแขนแฟนไว้แน่นพอเห็นหน้าแฟนก็รู้ทันทีเลยว่าพึ่งพาไม่ได้แน่นอนตอนนี้หน้าซีดเป็นไก่ต้มเสียงหมาหอนที่วังเวงกลิ่นเป็นเน่าที่แรงคลุ้งกับสิงหัวเราะชวนหลอนวนเวียนอยู่รอบกระท่อมที่เรานอน รู้สึกได้ถึงลมแรงที่พัดเข้าปะทะกระท่อมระหว่างที่พวกเรากันมึงตะลึงงานอยู่นั้นพ่อตาก็พูดขึ้นว่าอีจันเอ้ยอีจันไปเถอะพวกกูจะนอนพ่อสงสัยจะเป็นที่ผมไปท้าผีเไว้แน่ๆเลยแฟนเราว่าปากดีนักมึงเป็นไงไม่ได้นอนกันทั้งหมดเลยเพื่อนตาหันมาใส่ใช่ปากดีไม่เข้าเรื่องนะมึงอะ่ะเราก็ผสมโรงด้วยเลยเอาละเอาละอย่าทะเลาะกันมันไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าพ่อจะบอกว่าไปแล้วพวกเราก็ไม่ได้นอนกันต่อเลย มันนอนไม่หลับก็เลยพากันคุยจนถึงเช้านั่นแหละพอรุ่งอรุณมาถึงพวกเราก็พากันเดินทางกลับบ้านตากันถึงบ้านก็เอาปลาไหลไปขังไว้เพื่อไว้ทํากับแกล้มหรือทํากับข้าวในมื้อที่อยากกินส่วนหนูนาก็ทําแช่ตู้เย็นเอาไว้เมื่อคืนโดนแม่สิทา่าแม่ตาแซวใช่แม่ไอ้เพื่อนปากดีไปไปท้าผีซะ ง, งั้นเพื่อนตารีบรายงานกูไม่มีอะไรจะพูดละแฟนเรายอมรับและพ่อตาก็พูดขึ้นว่า เออเออพอพอยากย้ายไปอาบน้ําจะไปทํางานครับพ่อแต่จะว่าไปเรื่องเมื่อคืนนี้ก็สนุกดีนะแหนะ่ยังไม่ไหวจะปากกิ่อีกแนะ่สนุกตายแหละไอ้คนปากดีเราเลยด่าให้ไปไปไปอาบน้ํากันซะแล้วจะมาอยู่กี่วันเลยลูกแม่ตาถาม 3- ามสี่วันค่ะแม่งั้นกรีบอาบน้ําไปทําบุญให้เขาตอนนี้เลยแม่เตรียมของเอาไว้ละและนี่ก็คือประสบการณ์ที่เราสองคนไม่มีวันลืมเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของคุณสุนัตยาสาวบุตรตีเนศ ทีนี้เราก็ไปแวะเข้าปากกันสั้นๆนอีกเรื่องดีกว่าครับเป็นเรื่องราวที่คุณอาภารพรทองรื่นกรุณาส่งมาให้แล้วเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาผมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องย้อนไปเวลากลับไปประมาณ65ปีครับเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนั้นตาของผมเป็นทหารเกณฑ์ตาผมท่านชื่อว่ารินครับท่านประจำการอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกซึ่งตาของผมนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ที่พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างเพราะตัวท่านนั้นได้บทเรียนอยู่หลายพรรษาและก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กองหลวงพ่อป่องวัดหนองกระทุ่มซึ่งตัวของหลวงพ่อนั้นถือว่าท่านมีอาคมที่เข้มขลังมากๆเรื่องของตาก็คือวันหนึ่งตาผมกับทีมได้เข้าไปลาตระเวนในแถบป่าใหญ่ทงางภาคกะวันตกของประเทศไทยคําสั่งที่ได้รับก็คือให้ไปลาดตระเวนและเฝ้าระวังประจําการที่นั่นหนึ่งสัปดาห์ซึ่งตากับทีมของท่านก็ได้เดินทางไปยังจุดหมายที่ได้รับมอบหมายภารกิจ คืนแรกที่ล่าตระเวนและฝ้าระวังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่ความมืดและเสียงของพงไพรให้ได้ฟังได้ยินเท่านั้นแต่ว่าคืนที่2ไม่เหมือนกับคืนแรกด้วยปรากฏว่ามีเสือหนึ่งตัวเข้ามาและก็ไม่ได้เข้ามาเปล่ามันได้เข้ามาล่าเพื่อนในทีมของตาไปกินด้วยตาเสียเพื่อนร่วมทีมไปนหนึคนโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสัมผัสได้เลยว่ามีมาจุระเข้ามาล่าเพื่อนไปกินการตามหาจึงเริ่มขึ้นมีการติดตามรอยเพื่อจะนำซากเพื่อนร่วมทีมกลับมา แต่จนแล้วจนรอดการตามหานั้นจะว่าล้มเหลวก็ไม่เชิงเพราะว่าการปฏิบัติการตามหาซากเจอเพียงแค่หัวอย่างเดียวไม่เจอร่างทั้งทีมช่วยกันตามหาทั้งวันแต่ก็ไม่เจอและเมื่อดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ําลงทั้งทีมก็กลับมาประชุมกันว่าเราจะนอนกันที่เดิมแต่คืนนี้เราทุกคนจะนอนกันบนต้นไม้ตากับทีมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เจ้าเสือตัว น, นั้นจะย้อนกลับมาเมื่อวางแผนกันเรียบร้อยถึงเวลาก็ขึ้นนอนกัน กระทั่งตกดึกของคืนที่3มทีมของตาก็ไม่ได้ผิดหวังมันมาจริงๆเมื่อปรากฏกลิ่นสาบขึ้นสิ่งที่เซตาทุกคนในทีมเห็นก็คือเสือตัวใหญ่มันก็ค่อยย่างกลายเข้ามาตรงบริเวณที่ทีมตาเคยนอนปลายกระบอกปืนของทุกคนเล็งอยู่ที่มันและเมื่อคำลสั่งยิงดังขึ้นป่องป่องป่องป่องป่องป่องป่องป่องทุกคนระดมยิงเสซตาของทุกคนเห็นว่ามันโดนเต็มๆแต่สิ่งที่แปลกก็คือดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้สึกถึงกระสุนที่ไปโดนตัวมันเลย ใช่แล้วมันไม่เป็นอะไรมันพินแต่งแงนหน้ามองขึ้นมาแล้วก็เดินหายไปในความมืดตาผมและทุกคนในทีมรู้สึกได้ว่ามันไอเสือตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนและคืนวันที่สามก็ผ่านไปเช้าขึ้นมาทีมของตาก็ออกไปลาตระเวนเพื่อหาซากศพเพื่อนต่อแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะเจ อ, อไรเลยหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจภาคกลางวันเรียบร้อยทีมตาก็พากันกลับมาพักที่เดิมแน่นอนทุกคนนอนบนต้นไม้แล้วก็เฝ้าระวังภยัย คิต้นไม้ก็ปรึกษากันว่าถ้ามันหมาอีกก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ากระสุนปืนดูเหมือนว่าจะไม่ระคายผิวอะไรมันเลยไม่จัดเวนยามเรียบร้อยก็พักผ่อนกันแล้วกลางดึกของคืนที่4ี่นั่นเองช่วยดิจ้าช่วยด้วยช่วยดิจ้าปูดจะทนไม่ไหวอยู่แล้วสิ่งนี้ทําให้ทุกคนตื่นขึ้นพร้อมกันนั้นก็ส่งไฟลงไปดูเพื่อหาเจ้าของเสียงและสิ่งที่สายตาทุกคนเห็นก็คือสาวท้องแก่คนหนึ่งมีอาการเหมือนว่าปวดท้องจะคลอด หมอทหารในทีมตาจะลงไปช่วยแต่ตาก็ห้ามไว้หมออย่าลงไปถ้าหมอลงไปผมไม่รับประกันชีวิตหมอนะแล้วตาผมก็ยิงปืนขู่ไปนัดหนึ่งป้องทหารหมอก็เลยไม่ลงไปใจน้ํากิจจริงเลยไม่เห็นเหรอฉันปวดท้องจะตายอยู่แล้วยิงท้องแก่ข้างล่างครวนครางแต่เมื่อครวนครางอยู่พักหนึ่งเห็นว่าไม่มีใครลงไปท่าทีก็เปลี่ยนไปหยุดร้องเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ยิ้มเสยียจากนั้นก็เดินไายลับเข้าพงรบไปแล้วทุกคนก็พักผ่อนกันต่อ พอเช้าวันต่อมาทุกคนลงจากต้นไม้เพื่อปฏิบัติภารกิจหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจภาคกลางวันกันเสร็จทั้งทีมก็กลับมาพักผ่อนที่เดิมแน่นอนคือบนต้นไม้ทีมตามีความเห็นตรงกันว่าตราบใดที่เราอยู่บนต้นไม้เราจะปลอดภยัยซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คืนที่5้านี้ไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงในทีมตาเกิดอาการปวดท้องหนักขึ้นจําเป็นต้องลงมาจัดการกับธุระข้างล่างแม้ตาหรือใครทุกคนในทีมจะทัดทาน แต่ก็ไม่ได้ผล<น>เขาบอกว่าจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดแล้จะรีบขึ้นมาทันทีพอจบเขาก็ตัดต้นไม้ลงไปแล้วก็เดินไปหลังพุ่มไม้ซึ่งไม่ไกลนักตามผมสั่งหอนใจว่าทุกเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่นอนส่งสัญญาณบอกทุกคนให้ระวังให้ด้วยจึงก็ค่อยปีนลงต้นไม้ตามเพื่อนไปเพื่อเฝ้าระวังภัยและเมื่อเท้าของตาแตะถึงพื้นดินเฮ้ยป้องเสียงพื้นที่ไปถ่ายทุกกร้องขึ้นพร้อมกับเสียงเปิดแสงไฟฉายของทุกคนมุ้งตรงไปที่นั่น เละเสายตาของทุกคนก็ได้เห็นว่าไอ้หลายตัวเดิมนั้นตอนนี้ไม่กันังโดดเข้าตะปบเพื่อนร่วมเทมตารีบวิ่งเข้าไปยิงปืนใส่มันทันทีป่งแต่แรงจากลูกกระสุนของตาทำได้เพียงให้มันกระเด็นไปเท่านั้นเพื่อนของตาถูกมันกัดขาขาดไอ้หลายลุกขึ้นมาจากการกระเด็นกระดอนตอนนี้มันจ้องมาที่ตาด้วยสายตาอาฆาตทำท่าจะกระโจนตารีบกระชากตะกรุดที่ติดตัวมากรำไว้ไในมือจอบปลายกระบอกตรงไปที่มันพร้อมยิง และในซีวินาทีนั้นเองไอ้ลายก็กระโจนเข้าหาตาพร้อมกับอ้าปากกลางเล็ดเต็มที่ในซีวินาทีนั้นต า, าตก็าควงตะกรุดใส่ปากไอ้ลายพร้อมกับยิงสามเข้าไปในปากมันปั้มทุกอย่างเข้าเป้าไอ้ลายโดนเต็มๆผงาดง่ายกระดเด็นออกไปนอนชักดิ้นชักห่อตาโล่งใจเหมือนว่าตายแล้วได้เกิดใหม่ทุกคนในทีมรีบลงไปจากต้นไม้เล็งปลายกระบอกปืนของตนเองไปที่เสือตนนั้นทหารหมอรีบเข้าพยาบาลเพื่อนที่ขาขาดและสิ่งพิศวงที่เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนก็คือ ปัจจุบร่างของไอ้ลายที่กําลังนอนชักดิ้นชักงอใกล้จะตายนั้นหางค่อยๆหดลงกะโหลกดูเปลี่ยนรูปกระดูกตามร่างกายโดยคดไปงอมาจากหัวของเสือที่ใหญ่โตค่อยๆย่ อ, ยยอลงมากลายเป็นหัวของคนทุกคนยืนตะลึงง ง, งนั้นร่างเสือกลายเป็นร่างของชายแก่ที่กําลังกระอากเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็ค่อยๆนิ่งไปครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของตาผมก็จบไปครับ2เรื่องราว